บัติจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงจําแนกไว้โดยนัยพิสดานนั้นเป็นการแสดงตามพื้นเพจริตอัตยศาศัยของคนเราที่แตกต่างกันออกไป แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมิลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นประการสำคัญแต่เนื่องจากกลุ่มของธรรมะเมื่อแยกแยะออกไปแล้วก็คือกลุ่มของอริยสัจทั้งสี่ประการดังนั้นเราจึงพบว่าได้แง่ของความเป็นจริงแล้วกลุ่มของอริยสัจ พอที่เราจะต้องปฏิบัติจริงๆก็คือกลุ่มของมักกริย์เมื่อปฏิบัติในมักกริย์แล้วจะมีผลกระทบในทางโบวถต่อธรรมะข้ออื่นนั้นคือเพิ่มส่วนที่เป็นนิโรธศัสตร์ขึ้นไปนลดสิ่งที่เป็นสมุทัยและส่วนที่เป็นทุกขศาสตร์ลง ก็แสดงว่าปริมาณของกุศลก็เพิ่มขึ้นทั้งส่วนเหตุส่วนผลปริมาณของอกุศลก็ลดลงทั้งส่วนเหตุส่วนผลจุดสุดท้ายที่ท่านเรียกว่าดับกิเลสหรือดับเพลิงทุกข์ควหมายความมโรคเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ปิปภผลสืบเนื่องมาจากมรรคที่ปฏิบัติได้สมบูรณ์ ก็ทำให้สมุทัยหมดไปอย่างสิ้นเชิงความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงเป็นภาพของการเปิดไฟขึ้นในที่มืดเป็นภาพของการรับประทานอาหารเป็นภาพของการรับประทานยาแก่โรคและการปฏิบัติภารกิจอื่นๆตาปกติแล้วจะไม่ดำมาพูดกันทั้งหมด ถึงภาษาโวคหารที่ใช้ในชีวิตประจาวันเราก็สังเกตว่าที่จริงก็ไม่พูดหมดเช่นเชิญรับประทานอาหารเติดกินหมากแต่ในความเป็นหมากมัก็จะมีทั้งหลายอย่างสิ่งที่ต้องกินเข้าไปและสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการกินรับประทานอาหารก็เป็นเช่นเดียวกันบางทีก็ชวนตรงๆมากินข้าว ก็เวลากินไม่ได้กินเฉพาะขา้าวและจากการกินข้าวนั่นเองก็ทำให้อาหารสิ้นเปลืองไปความยิ่ลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นได้แรงเพิ่มขึ้นกับร่างกายเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจการงานต่อไปอีกได้ เแนการในบบบิบัติบางครั้งพระเจ้าจึงส่งอุปมาหให้เราเหมือนก็เราจุดไฟคือสมัยโบราณก็จุดตะเกียงในขณะที่เราจุดตะเกียงเนี่ยไา้คนตะเกียงก็ไหม้ไปน้ำมันก็ถูกดูดไปแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นความมืดก็หายไปเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันจะถามอะไรก่อนอะไรหลังที่จริงถ้าดูแล้วมันก็มีก่อนมีหลังเพียงแต่ว่าเร็วมาก ธรรมะปฏิบัติในทางาศาสนาจะมีลักษณะอย่า ง, างนีน้โดยปริยายของธรรมะจะเรียกว่าทรงสำแนกแสดงไว้โดยอเนกกับปริยายคือนิยตต่างๆเพื่อสรับกับพื้นเพจริตอัิยาศัยของคนนดักกล่าวแล้วแต่ว่าเราจับจากจุดใดก็ตามมันก็เทือนกระเทือนถึงเกิดบท อย่างที่ทรงแสดงไว้โดยในยะหนึ่งเป็นการจําแน่แย ก, กแยกออกไป4ประเทศวัตถุก่อนพิสูจน์ต่างหลายธรรมะ2ประการบุคคลควรกําหนดรู้คือนามเดียกรูปหนึ่งธรรมะ2ประการบุคคลควรละคือวิชาหนึ่งภาวะตันฐานหนึ่งธรรมะสองประการบุคคลควรทําให้แจ้งคือวิชาหนึ่ ง, รร ง, คค ว, ง, ว, งวิมุตติห ทำสองปการบุคคลควรเจริญคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งนในภาคปริยัติก็ดูไม่ถึงหน้ากระดาษแต่ในภาคของการปฏิบัติทั้งสี่ชุดนั้นกระทบกระเทือนถึงกันมีผลเป็นบวกเป็นลบด้วยกันจะนสมมติว่ากลุ่มที่ทรงสอนใน ห, หลักแต่บุคคลเกิดไปเพิ่มพูนขึ้น ไปเพิ่มความโกรธความริษยาความแข็งดีความโลภเราจะเห็นภาพของความรุนแรงการก่อทุกข์ทรมานการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมประเทศชาติเป็นส่วนรวมภาพเการน้ำท่วมซึ่งแพร่กระจายไปถึง60บกวจังหวัดเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เป็นอย่างดี การน้ำท่วมมากท่วมขังและอยู่นานมีความสูญเสียมากแต่เราสืบสาวลงไปก็จะพบว่าปัญหาเหล่านั้นมนุษย์ได้สร้างขึ้นเป็นจานวนมากไม่ว่าการถมลำรางคูครองลำรางคูครองแม่น้ำลำคลองตื้นเขินการปลูกบ้านลุกล้ำที่สาธาณะการกีดขวางทางไหลของน้ำ ปัญหสารพัดที่เราสร้างขึ้นมาเองวลกระทบมัก็กลายเป็นความทุกข์แตสาวกลับขึ้นไปว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นก็ตอบได้ว่าคนเราเห็นแก่ตัวมากเกินไปมีความโลภมากเกินไปขาดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เพราะปัญกระกทบะก็กระทบกันทั้งหมด ตอนได้มันก็ได้ไม่กี่คนแต่ตอนเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนกระจายพานการมองปัญหาในแนวของการสืบสาวลงไปโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติเช่นสมมติว่าเราไปกำหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของนามมารูปถามนามคืออะไรรูปคืออะไร ตัววานาก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจเราดูที่ใจเห็นที่ใจรู้ที่ใจหยุดที่ใจหรือเพิ่มที่ใจเช่นการเจริญสมถกรรมฐา น, ถ, านถ้าในกรณีของการเพิ่มเป็นการเพิ่มสติสมัญญะและความเพียรลงไปปริมาณสติสมัญญาที่เพิ่มไปนั้น ถ้าสติเพิ่มมากก็จะกลายเป็นความส ง, งบเกิดขึ้นอยู่ภายในใจใ จ, ใจไม่วิ่งไม่พลันไปในอารมณ์ทั้งหลา ย, ละยระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นตลอดถึงนิมิต ท, ที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นแต่แม้แต่จุดซึ่งลงกระทบหรือใช้บทภาณนาอย่างกิดก็ถ้าสติเขามากปัญญาเขาก็เพิ่มตามเพราะเป็นพวกเกียวกัน คามเพียรที่เป็นแรงผลักดันก็จะสูงขึ้นซึ่งบางครั้งเราพบว่าก็แสดงครบทั้งหา้าทั้งสามข้อคือสติสัมปชัญญะความเพียรแต่บางครั้งก็รับสั่งแต่ละข้อคือแยกออกไปเจตสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกคําพุทธนั้นแปลว่ารู้แปลว่าตื่นรปลว่าเบิกบานพระเจ้าเองเป็นพุทธตื่น แล้วก็ปลุกบุกคคลอื่นให้ตื่นทีเรเรียกว่พุท ธ, ธะร้านเองนั้นเป็นผู้ตื่นตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ปลุกบุกคคลอื่นได้ตื่นตามแล้วก็ปลุกต่อๆกันมาตัวการที่ทําให้ท่านเป็นพระอรหันต์ก็คือความสมบูรณ์ของสติที่เรียกว่าสติวิปุละคือความภัยบูรณ์ของสติ ได้รับการยกเว้นไม่ให้ใครไปโจดทวงด้วยการละเมิดวินัยข้อใดข้อหนึ่งแก่พระอระหันต์อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ละเมิดบทบัญญัติต่างละเมิดศีลละเมิดธรรมะเป็นเรื่องของสติที่มันขาดไปพอสติสมบูรณ์แม้แต่ความคิดจะทำบาปก็ไม่มีไม่ต้องกล่าวเรื่องการพูดบาปหรือการกระทาบาป เพราะไม่คิดก่อนมันก็ไม่มีการพูดหรือไมมีการทําจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสติเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านดังนั้นเราจะเห็นว่าสติมันก็คุ้มครองมาตั้งแต่ระดับศีลคือการสํารวจระวังคุ้มครองระดับสมาธิคือสร้างตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นล์ลบหายใจเข้าออกเป็นต้นก็ขอให้เกิดเป็นความส ง, งบแล้วก็เดินขึ้นไปจะได้จนถึงฌานต่างๆ พะถึงจุดหนึ่งสติก็เป็นตัวระลึกรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเคยหลงไหลเคยหลับไหลด้วยอำนาจของกิเลสที่พระเจ้าทรงแสดงการหลับของคนไว้เป็นสองประเภทประเภทแรกเป็นเรื่องสากลคือ ท, ทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเรียกว่าขันธนิสาคือการหลับแห่งขัน ร่างกายของคนของสัตว์ต้องพักผ่อนต้องมีการหลับนอนถ้าไม่ได้หลับจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่าผู้เจ้าเองก็หลับพระหันก็หลับแสดงว่าขันธนิสานนั้นเป็นความหลับสากลจุดแตกต่างก็อยู่เพียงแต่ว่าพระหันท่านหลับด้วยสติสามัญชนหลับด้วยขาดสติหรือมีสติไม่มากพอ เราไปรูที่นอนพระอาหารหันต์ตอนนอนเป็นยังไงตอนตื่นก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าที่นอนของปุถุชนตอนนอนก็อย่างหนึ่งตอนตื่นก็อย่างหนึ่งแม้แต่ถ้านอนอะไรต่รางๆก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดแสดงตั้งการขาดสติแต่ทาไปทามาก็คือหลับด้วยกันการหลับอีกประการหนึ่งเรียกว่ากิเลสสนิสาคือหลับด้วยอานาจของกิเลส เป็นความหลงไหลเป็นอาการหลับไหลใจก็ถูกไหลไปตามกระแสของกิเลสซึ่งมลีลักษณะพัดผันเพราะกิเลสประเภทนี้บางทีพิเจ้าก็ทรงสแสดงเหตุว่ามันเหมือนกระแสน้ำเรียกว่าโอคะคือห้วงน้ำใหญ่ที่พัดผันจิตใจของบุคคลให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ดอน ที่มีการโฆษณาเชิญชวนชักชวนล่อด้วยรูปล่อด้วยเสียงล่อด้วยกลิ่นล่อด้วยรถล่อล่อด้วยสัมผัสอย่างน้อยก็ปลุกร้าจิตใจและตาหูตามองได้ไกลหูได้ยินได้ไกลใจคิดได้ไกลแจก็ถูกปลุกเรา้าก็บังคับคนให้ไหลทั้งทางที่ตื่น เป็นอาการต้อหลับหลายลงไห ล, หลมีความกำลัดเพลิดเพลินสนุกสนานเศร้าซ้อยวัวเราะดีอกดีใจไป ต, ตามมีการแสดงบทบาทในการแสดงต่างๆบางท่านที่รู้แสนรู้แต่ก็คือไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงเป็นการแสดงบางทีเป็นเพียงคลื่นแสงที่ส่งผ่านระบบของโทรทัศน์มา เราก็ตื่นเต้นสนุกสนานจนถึงบางทีก็หลงมือหลงมือเชียไปเลยนั้นแสดงการตั้งการหลับไหลยลงหลายใจก็แขวงสายไปด้วยอบบหนาจของราคะโทสะโมหะต่างๆ ต, ตรงนี้ไม่ทั่วไปหมายความว่าถ้าคนมีสติมากเท่าไหร่การวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของตนก็จะทำได้รวดเร็วขึ้น ปลุกตัวเองให้ตื่นไม่ใช่มีลักษณะหลับๆตื่นๆแต่ว่าตื่นตัวตามสมควรแก่สถานะนั้นๆเช่นตื่นภัยตื่นอันตรายตื่นโรคเมื่อวานนี้คได้ยินข่าวคร า, าวเรื่องวันเอสแสียงโลกมีการรณรงค์กลาเป็นการใดเป็นการโฆษณาประชาสัปพัก์การเป็นการใด ซึ่งก็คืออาการของความหลับไหลความหลงไหลที่ขาดสติเป็นเรื่องยับยั้งชั่งใจเป็นเครื่องสกัดกั้นแรงปรารถนาไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้น จ, จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเท่าไหร่แต่เพราะใจที่ขาดสติเป็นตัวเลือกรู้มันก็สร้างปัญหาขึ้น พนตรงนี้ถ้าเรามีสติเราก็ตื่นตัวได้มีการระมัดระวัง ม, ว ม, มีการสํารวจมีการตรวจสอบพินิจพิจารณาซึ่งตรงนี้แม้จะไม่พูดสัมปชัญญะหรือพูดถึงปัญญาที่จริงก็มีปัญญาพระาะลักษณะของสตินั้นคือการเหนียวสิ่งเหล่านั้นเข้ามาระลึกรู้เพราะสติถ้าจึงแปลว่าสั้นไปในรมทั้งหลาย มันแผ่ไปในลมตลาดคล้คายคากับน้ำไหลคล้คายคกับลมพัดมันครอบคลุมพื้นที่คล้ยคการแผ่ของความเย็นความร้อนไปในที่ตา่างๆมันต้องแผ่คลุมไปตรงนั้นเพรา ะ, ะลักษณะของสติที่ทําให้ตื่นตัวไม่ใช่มองด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นการมองรอบด้านเป็นการระลึกรู้รอบด้านไม่ใช่ระวังภัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งด้านหน้าด้านข้าง แต่ต้องระวังรอบ ด, ดันแม้แต่ภัยอันตรายที่จะมาจากข้างล่างหรือมาจากข้างบนด้านสาธาชนทั้งหลายจะเห็นว่าวิธีการฝึกของพระพุทธเจ้าเส้นสอนให้ฝึกเรื่องสติในการใช้เรียบ ท, ทั้งหลายหรือยืนเดินนั่งนอนหรือแนวที่เรียกว่าสัมปชัญญปะปปะเป็นการตั้งสติและรู้การเคลื่อนไหวของเรียาบ ท, ทั้งหลาย ก็พยายามปลุกบุกคคลอื่นให้ตื่นตัวอยู่ในขณะนั้นๆสร้างลักษณะนิสัยจนถึงจุดหนึ่งกลายเป็นความเคยชินท่านออกไปดำรงชีวิตแบบาบ้านชาบ้านาทั่วไปแต่ถ้าก็มีสติเป็นเครื่องเหนียวรั้งใจเป็นเครื่องควบคุมใจระเลึกรู้ในอารมณ์เรานั้นเพราะเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพูดเสริมสติอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าแม้แต่การเสริมสติ ก็มีสัมปชัญญะมีความเพียรมีขันติมีความบากบัน่นมีอะไรอีกมากมายเกิดขึ้นถามว่าทำไมไม่พูดก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะแนวของการปฏิบัตินั้นท่านจะพูดแต่น้อยแต่ว่าผลมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมัน ตอนนองใกล้ๆสอนให้คนปลูกพืชหรือแม้แต่ชาวสวนที่บอกให้ลูกไปขุดทรัพย์สมบัติในสวนเป็นการพูดประโยคสั้นๆลูกเข้าใจว่าพ่อฝังสมบัติไว้ในสวนหลังจากทําชาปรกิจฐศพพ่อแล้วก็ไปขุดดินกันในสวนแต่จากดินที่ขุดบรรเกลีให้เกิดอาการรุ่นสุย พืชแตกรากได้ปะกินอาหารได้ปะแกริญเติบโตเร็วออกดอกออกผลมากก็ทำให้การขายพืชไร่พืชสวนของคนเหล่านั้นเพิ่มเงินมากยิ่งขึ้นแต่ตอนอย่างนั้นไม่ต้องพูดเพราะอไรเพราะเป็นปฏิกิริยาที่ทยอยกันไปเป็นคลื่นพอถึงจุดเดืงดมันก็แตกดอกออก สิ่งต่างหลายจึงเป็นการเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการเพราะที่เราตัดกระบวนการสแต่เราก็เห็นเพราะจริงๆมันไม่ได้อยู่เฉพาะจุดนั้นมันมาจากที่อื่นจุดไดอย่างในกรณีแม้ตัวอย่างนิทานง่ายๆที่เราเรียนสมัยเป็นเด็กเรื่องหมาอยู่ในรังหญ้าแล้วก็มีปัญหากระทบกระเทือนถึงการขายข้าวได้น้อย ถ้าเราสาวมาจากตอนปลายเราเห็นว่าข้าวส่งออกได้น้อยทําไมได้น้อยเพราะว่าซื้อข้าวรวบรวมข้าวมาได้น้อยทําไมรวบรวมได้น้อยเพราะข้าวอยู่ในสางน้อยทําไมอยู่ในสางน้อยเพราะอยู่ในลานน้อยทําไมอยู่ในลานน้อยเพราะเก็บเกี่ยวได้น้อยทําไมเก็บเกี่ยวได้น้อยเพราะออกรวงออกรวงได้น้อยทำไมออกรวงได้น้อยเพราะตั้งท้องได้น้อยทำไมตั้งท้องได้น้อยเพราะว่าปักดําได้น้อย ทำไมปักดำได้น้อยเพราะว่าไถได้น้อยทำไมไถได้น้อยเพราะว่าโคไม่มีแรงทำไมโคไม่มีแรงเพราะโคไม่ค่อยได้กินหญ้าทำไมโคไม่ได้กินหญ้าเพราะตอนกลางคืนหมาไปนอนอยู่ในรางหญ้าเป็นกระบวนการท ย, ยอยกันไปเป็นขึ้นมันเริ่มที่ปัญหาคือหมาไปนอนรางหญ้าและจากนั้นมนก็เป็นปัญหาไปตลอด เพราะถ้าเรานี้เราจึงเหมือนกับการปลูกพืชต้นสะเดาที่เริ่มปลูกมันก็ขมแล้วไปจนถึงปลายกอนสะเดามันก็ขมนั่นคือแนวของอกุศลแนวอกุศลมันก็จะเป็นก็ว่าอย่างเง้ยหมายความว่าพอเริ่มขึ้นแล้วในะอย่างอื่นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาเราพูดเฉพาะสติ แต่ที่จริงแล้วในความมีสตินั่นเองมันก็แสดงให้เห็นดึงมีปัญญามีความเพียรมีศรัทธามีอะไรอีกมากมายไก่ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาอินทรี่ห้าคือศรัทธาความเชื่อริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้เพราะถ้าเปลี่ยนเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับสหายหาคน อีกสี่คนเป็นบุตรของหมาหามาัอีกหนึ่งคนเป็นราษฎรุ ม, มาดเป็นสาายไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันเวลาไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนคนใดเพื่อนคนนั้นก็รับรองดูแล ใ, ใจใสเพื่อนอีกสี่คนผลงานอันใดที่เราใช้ศรัทธานำ ธรรมอีสี่ข้อก็มนุนตรงนี้จะเน้นปฏิทโตศรัทธาแต่เพื่อไม่ให้งมงายลงหลงไหลไปโดยขาดเหตุผลก็ต้องมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้ากับกับอยู่ด้วยช่วยเสริมช่วยสนับสนุนช่วยให้สติก็แล้วแต่แต่บางทีเป็นเรื่องต้องใช้ความเพียรก็ความเพียร น, นำ มีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าสนับสนุนความเพียรบาทีมันก็ลุยไปโดยไม่ดูหัวดูหางอะไรสติก็ต้องยับยั้งเหนี่ยวรังเอาไว้ปัญญาก็ต้องบอกกล่าวว่าควรจะไปอย่างนั้นควรจะไปอย่างนี้ควรเว้นอย่างนั้นควรทำอย่างนี้แล้วความเพียรก็ต้องผลักดันให้เป็นไปตามที่สติเตือนตามที่ปัญญาเตือน บางทีเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติโพธิไม้สีข้อก็ต้องสนับสนุนบางทีใช้สมาธิอีกสีข้อก็หนุดแต่พอถึงหลักการสาคัญที่ทรงสอนเราเหมือนก็เข้าไปในวังทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจของปัญญาคือราชกุ ม, มารหมายความว่าคนเราจะเชื่ออะไรก็ต้องมีปัญญาเข้ากบกับ ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรแต่ในเรื่องของความเชื่อวิธีพุทธนั้นเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นจริงไม่ได้เอาตัวเองเป็นฐานแต่าคนนั้นๆัหรือสิ่งนั้นนั้นเป็นฐานในการเชื่อหรือไม่เชื่อหรือควรจะใช้ประโยชน์อะไรจาจุดนี้ ถึงในบางกรณีไม่จำเป็นจะต้องมองไปที่มีเหตุมีผลหรือไม่แต่มองไปที่เราได้ประโยชน์่างสิ่งเ่าดันหรือไม่อย่างที่พระเจ้ารับสั่งแก่ท่านนาธบิติกะเษตีให้ทำทักษินานุปท า, านให้แก่หลานชายซึ่งมีตุกตาแป้งและตุกตาแป้งก็ตกหล่นแตกหลานชายก็ร้องไห้ นาตบินติกเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องร้องไห้ประเดี๋ยวตาจะทําบุญกุฏิกุศลไม่ให้ตุกตาแป้งไ้ตุกตาแป้งได้สบายหลานชายก็เชื่ อ, อนาตาบินติการเศรษฐีก็ไปกราบทูถุถุเจ้าผู้เจ้าก็รับสั่งกานนั้นแล้วทรงแสดงความชื่นชมอนุมโมทนาต่ทานอนท่านนาตบินติการเศรษฐีที่มาประรบเรื่องอะไรกันตุกตาแป้งมารับส่วนบุญส่วนกุศลไม่ได้หรอก แต่ว่าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้หลานชายได้รบรรเทาความโศกได้ได้รับการทําบุญได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทําบุญคุณตาเองหรือธระห น, านาัติเบนทกเสถียรก็ได้ทําบุญสิ่งนี้ทํานั้นเป็นบุญเป็นการลดทั้งกิเลสแล้วก็ลดทั้งความทุกข์หลานชายที่เคยร้องไห้เสียดายตุกตาแป้งที่ตายไปที่แตกไปก็หยุดร้องไห้มีความสบายใจดีใจ บาทหวังว่าเวเนตุกตาแป้งสบายอยู่ในสวรรค์ลแล้วความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าสิ่งนั้นทำให้ใจสบายบรรเทาอะไรบรรเทาความทุกข์ได้บรรเทาความทุกข์ได้ความโศกต่างๆซึ่งเคยมีมันก็หายไปจากใจนั่นก็คือวิธีการของพุทธแต่ในบางกรณีเราจะพบว่า คนก็อาจจะเชื่ อ, อยังงมงายร้ายเหตุผลอะไรแต่ก็เป็นเรื่องของเขาการมองคนในจุดนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมองแบบพุทธนั้นก็ต้องมองด้วยความเข้าใจเข้าใจเห็นใจรอคอยปรารถนาที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เมื่อยังไม่พร้อมก็ต้องปล่อยก่อไปก่อน ไม่ใช่ไปด่าไปชี้หน้าด่าว่าเขางมงายไร้เหตุผลโง่อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเขาทําอย่างนั้นเนี่ยใจเขาสงบได้ระดับเนี่งคนอาจจะไปนั่งไหวไห้กราบๆต้นไม้อะไรต่ออะไ ร, ไ ร, ไรอยู่กัช่างเขาใจเขาศรัทธาใจเขาสงบมันอาจจะขาดสติขาดธรรมจัญญาไปบ้างแต่ว่ายังไงใจเขาก็สงบแต่เราที่ด่าเขานี่ใจเราอยาบเพราะจีก็อยากใจก็อยาก เป็นทั้งมัจจริตและก็เป็นมโนทุจริตถ้าเขาทุจริตเขาก็ทุจริตเฉพาะจิตซึ่งไม่อยู่ในทํานองครองธรรมจริงๆเพราะนั้นเราจึงพบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ปฏิเสธอะไรอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้เพียงแต่ทรงแสดงว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ตั้งปรงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้อะไรเลย เขาก็ได้อย่างที่เขาควรจะได้การมองอะไรก็ตามต้องเกิดผลเป็นความสุขความสงบภายในใจนั้นเป็นลนักษณะของสินธจัญญแต่ถ้าแนวที่ว่าเพิ่มปริบาลของสติสมัมปชัญญะสูงขึ้นก็จะมองในแนวของใจหลักเพราะนามรูปอีกสายหนึ่งก็คือการมองแบบใจหลัก ส่วนที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมโดยจมูกริ้วโดยลิ้นถกต้องโดยกายส่วนที่เป็นนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้ใจการมองแบบใจรักก็คือมองในแง่ของความจริงที่มันไม่เที่ยงแท้ยังยืนคงทนอะไรรูปจะเป็นหยาบกลางประนีตยังไงสวยงามยังไงจะเป็นรูปเรารูกคนอื่นรูปที่เรารักรูปเราชัง ผลท้ายาก็คือสังขารที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกลับไปเป็นธรรมดาเก็านยายอะไรก็สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ใจก็จะจางจะคลายจากความยึดมั่นหรือมั่นลงไปหรือมองในแง่ของความเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงสภาพเดิมอยู่ไปได้ เราต้องประสบกับปัญหาสารพัดี่มีการแผดเผากอ่อเกิดความร้อนร้อนด้วยประการต่างๆเราเป็นชั้นใดคนอื่นก็เป็นฉะนั้นคนอื่นชั้นใดเราก็เป็นแทบ น, นั้นแล้วก็ใจก็ไม่ไปเอาจริงเอาจังอะไรก็เรื่องเหล่านั้นเกิดไปเบือร้อไปก็เท่านั้นเองจบเป็นจบหยุดเป็นจุดเสร็จงานเป็นเสร็จงานทีท่านพูดว่าให้มีสติระลึลกรู้อยู่กับเรื่องตรงนั้นแนวของอิริยาบถ ท, ทั้งหลาย S <S 2> <S 2> ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านัง่งก็รู้เฉพาะตรงนั้นรับผิดชอบได้เฉพาะตรงนั้นแม้จะเราไปรับผิดชอบเราอยู่กรงุงเทพพญาติพี่น้องอยู่จากเชีงยงใหม่เกิดน้ําหลากที่เชีงยงใหม่เกิดแผ่นดินไหวที่เชีงยงใหม่เรารู้ข่าวแล้วเดือดร้อนวุ่นวายกระสรับกระสายที่ตกกังวลก็ไม่ช่วยอะไรได้ญาติพี่น้องถ้ามีปัญหาเขาก็มีปัญหาเท่าที่เขามีอยู่แล้ว เราไปเดือดร้อนมันก็เพิ่มปัญหาให้แก่เราแทนที่จะไปลดปัญหาให้แก่เขาก็กลายเป็นหาเรื่องสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองวิธีคิดแบบพุทธก็คือพยายามที่จะลดความรุนแรงของปัญหาลงไปแล้วก็เพิ่มความสุขความสงบไปเกิดขึ้นแก่จิตใจซึ่งในกรณีนี้เราอาจจะใช้สติอาจจะใช้ศรัทธาอาจจะใช้ความเพียรอะไรก็ได้นาแต่พึงสังเกตว่า คุณธรรมเหล่าอื่นก็จะตามเข้าสนับสนุนการมองในแนวนามรูปที่จริงมองในแนวของทุกขสัจซึ่งเมื่อเราพิจารณาไปแล้วการตั้งสติระลึกพิจารณานั้นเป็นมรรคสัจการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอาการผลรวมของมรรคสัจใจมันก็หลุดพ้นกลายเป็นอาการของนิโรธสัจ พวกกิเลตั้งหลายมันก็สงบมันก็ลดลงไปก็กลายเป็นสัมผัสมรรสันตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต